เีขึ้นประเด็นใหม่พระเจ้าไม่เลินถามซึ่งเป็นการถามประเชิญเน็ตนิดหน่อยว่าพระคุณเจ้าทานที่พระราชาเวสันดรทรงมอบให้ไปนั้นจัดว่าเป็นอติทานอาติทานนี่แปลว่าให้เกินไปเรียกว่าเป็นทานทานนั้นยิ่งตัวนี้แปลว่าทานเกินเหมือนกันเถอะเรียกว่าเกินทานเหมือนกันเถอะนะก็เช่นว่าเกินไปอ่ะนะประเภทคำเนี่ยเคยได้ยินนะเกินไปอะ่ะทําอะไรก็ทําเกินไปอะ่ะ คือข้อที่พระองค์ทรงมอบพระฉายาคือผนังมัสสีของพระองค์ให้เป็นภริยาของผู้อื่นไอการให้อันนี้ก็เกินไปเห่านกันให้เมียเป็นทานมันเกินไปหรือมอบบุตรที่เป็นโอรสของพระองค์ให้เป็นทานแกพรามอันนี้ก็เกว่าเกินไปอีกเหมือนกันพระคุณเจ้าขึ้นชื่อว่าอาตทาิทานทานที่ให้เกินไปเนี่ยนะเป็นทานที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายในโลกติเตียน เฮ้เรื่องนี้ถูกด่าทั้งนั้นแหะใครที่ทําอะไรเกินเกินเนี่ยนะใครที่ทําอะไรเกินพอดีโดยมากถูกด่าทั้งนั้นเหมือนั้นในโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริเกินไปอย่างงี้ยนะก็ได้รับการตําหนิเขายกตัวอย่างว่าอะไรที่มันเกินเกินถูกด่าทั้งนั้นอ่ะเช่นเปรียบเหมือนว่าเพราะบรรทุกหนักเกินไปเนี่ยนะเพลาเกวียนก็ย่อมหักมั้นใครที่อะไรแม้อยากกะสุนสักทีเดียวให้มันเส็จเลยนะเอาของใส่สักเต็มเกวียนเพลาหักเลยเนี่ยถูกดานั่นเนี่ยเกินไป เพราะบรรทุกหนักเกินไปเรือก็จมนะถ้าบรรทุกเกินไปเรือจมนี่ก็ถูกได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเพราะบริโภคมากเกินไปของกินก็ย่อมกลายเป็นของแสลงไปได้นี่กินเกินอีกเพราะฝนตกมากเกินไปธรญมชาติก็เสียหายฝนตกมากน้ําท่วมข้าวกล้าเสียหายหมดเพราะให้มากเกินไปก็ถึงความสิ้นทรัพย์ให้ทานเกินก็หมดตัวสินะเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีรายได้มีแต่จ่ายอย่างเดียวก็หมดตัวเหมือนน เพราะมีแดดร้อนเกินไปแผ่นดินก็ร้อนระอุเหมือนกันเพราะกำหนัดเกินไปเพราะรักเกินไปก็กลายเป็นคนบ้าเหมือนันน่ะถึงกับคนเสียเจริดไปเลยเนี่ยนะเพราะทำไมรู้ไหมอ่ะเพราะคนที่เรารักเขาก็ตายเป็นเนี่ยนะก็ตายเป็นแล้วก็บ้าเลยทำไงนเนี่ยนะเพราะกโกรธเกินไปก็เลยถูกเขาฆ่าหรือไปฆ่าเขาได้เนี่ยนะแปลว่าโกรธเกินไปก็เลยด่าเขาแล้วก็ถูกเขาด่าเป็นต้นเนี่ยนะหรือหลงเกินไปโง่เกินไปก็พบแต่ความทุกข์ยากความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความโง่ไง ตรงนี้เห็นชาอะไรถ้างโง่เกินก็ทุกแน่นอนอะนะจ่ายแพงมากเลยนะเขาบอกว่าความรักนี่ก็จ่ายแพงนะความโกรธจ่ายแพงกว่าความรักโง่จ่ายแพงที่สุดในโลกนี้นะนะความเสียหายที่เกิดจากความรักความต้องการเนี่ยถือว่าค่อนข้างเสียหายอย่างเช่นเราชอบอะไรมากนะเราจะเราค่อนข้างจะเรียกว่าตาบอดเรียกว่าอะไรนะหูตาบอดอ่ะนะ อย่างเช่นชอบอะไรเกินไปมันก็จะไปเอาอยากได้สิ่งนั้นแต่เกียกตะกายเหมาะสมมั่งไม่เหมาะสมมั่ ง, มม ส, มมงสมควรมั้งไม่สมควรมั้งก็ท้าไปเรื่อยแต่เชื่อไหมโกรธเนี่ยหนักกว่า น, นั้นอีกถ้าลองโกรธอะไรสักอย่างขึ้นมามันจะหาเรื่องเงินสุดๆนั่นแหละเรียกว่าจองล้างจองผลานเรียกว่าเรื่องๆๆนะัล่าข้ามสัตว์วัตถุเว่างย่างนั้นนะล่าข้ามเดือนข้ามปีข้ามชาตินั่นแหละเช่นพระเทวทัตจะไม่โกรธมากเลยนะจองล้างจองผลานล่า หลายภพหลายชาติแต่เชื่อไหมโง่เนี่ยหนักหนาสาหัสที่สุดทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยนะวันมาจากอะไรมีแต่ความเดือดร้อนไม่รู้ไปยังไงเนี่ยนะเชื่อไหมเหมือนพวกเราเนี่ยนะฝ้าวาตาอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามาเดชฉลาดอะไรรอกัยนะพูดตอนแรกนึกว่าไม่ใช่เราอ่ะนะ <c oughs> น, นะเพราะวิชาปัจจยาสังขารานี่เพราะวิชาเป็นปัจจัยนั่นแหละ อันนั้นต่อไปเขาบอกว่าเพราะอยากได้มากเกินไปก็ย่อมเข้าถึงการถูกจับด้วยการเป็นโจรเพราะอยากได้ของบางอย่างมากก็เลยไปลักไปขโมยไปชอบไปโกงเป็นต้นก็เลยถูกจับเลยเพราะกลัวเกินไปก็ย่อมผิดพลาดนะะเช่นคนขับรถด้วยความหวาดกลัวเนี่ยนะโดยมากประสบความสําเร็จไห<ป>มก็เฝ้าถนอนอยู่ตรงนั้นแล้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะกลัวเกินไปไนงะแม่น้ำเนี่ยถ้าเต็มเกินไปก็ล้นฝั่ง ลมถ้าแรงเกินไปสายฟ้าก็ฟาดตกลงมาได้ถ้าลมแรงๆโดยมากก็มีฟ้าผ่าวันงงนะพายุฝนเนี่ยนะเพราะไฟร้อนเกินไปข้าวสกก็ล้นหม้อหรือข้าวเนี่ยไหมเลยแหละถ้าไฟแรงเกินเพราะเดินทางสัญจรมากไปก็ย่อมอายุไม่ยืนคนนักเดินทางทั้งหลายเนี่ยโดยมากอายุไม่ยืนเนี่ยนะพระคุณเจ้าสรุปว่าอติทานเนี่ยนะไอทานที่ให้เกินๆแบบนี้นะ ผู้รู้ทั้งหลายในโลกเขาก็ตำหนิทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างประกอบมาตั้งสิบห้าตัวอย่างนะเนี่ยยกตัวอย่างมาประกอบนะเออถ้าพูดธรรมดานะเจอเหตุผลของพระเจ้ามิลินเข้านิ่งเงียบเลยใช่ไหมนี่มันก็เกินไปอันนี้ก็เกินไ ป, อ, นนนไปอันนี้ก็เกินไปสรุปอยากจะบอกว่าพระเวสสันดรก็ให้ทานเกินไปให้ได้แม้กระทั่งเมียให้ได้แม้กระทั่งลูกให้หมดลูกไม่อยากจะบริจาคตัวเองก็ยั้งคืนจากให้อันนี้มันเกินไปเพรางั้น พระนาคเษนอติทานที่พระราชาเวสันดรบังเพญผลอะไรๆในอติทานนั้นเป็นผลที่ไม่น่าปรารถนาเลยมันต้องให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนอะนะเพราะทําเกินไปใช่ไหมจะต้องเดือดร้อนแน่นอนแต่เชื่อไหมพระเวสันดรเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าตัดสรุปเรียบร้อยแล้วไอ้คนที่พูดในบางทีไม่รู้ร้องให้อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะนะคนที่เที่ยวบน่นเที่ยวกลนทเที่ยวด่าเนี่ยนะฟาวะตะนะผู้ที่เรียกว่าเกินๆทั้งหลายบรรลุ ก, กันหมดแล้วเนี่ยนะ ทีนี้พระนาคเษนกลับพูดตรงกันข้ามสิ่งที่เกินกว่าปกติสิ่งนั้นแหละดีสุดยอดนะของที่ดีเกินกว่าปกติอะไรก็ตามที่มันเกินปกติสิ่งนั้นแหละเป็นของดีคิดคิดกับคนละด้านกันคิดคนละด้านไอ้คนที่คิดด้านลบเนี่ยแปลว่าไอ้ใครที่คิดเล็กคิดน้อยคิดลบมันจะลบตลอดชาติอย่งนั้นเนอะส่วนไอ้คนตรงกันข้ามเออมองมองเป็นดีได้ทุกเรื่องอ่ะคือคนดีนะจะมองโลกกระทับในแง่ดีมองเห็นความดีอยู่ทุกพี่ คนชั่วนะมองเห็นบาปได้ทุกที่คนดีมองเห็นบุญในที่ ท, ทุกสถานเอา้าก็ก็คนคนนักบุญกับเรียกว่าคน อ, าอย่างสมมติว่านักฆ่าทั้งหลายเนี่ยเห็นทุกอย่างเป็นอาวุธที่จะฆ่าได้หมดเลยแต่ถ้าคนที่มีใจเอื้อเฟื้อจะช่วยชีวิตคนอื่นนะมองเห็นทุกอย่างช่วยชีวิตคนอื่นได้หมดเป็นเครื่องมือช่วยชีวิตคนอื่นได้หมดอย่างคนที่คดโกงเนี่ยนะ เห็นอะไรมันจะโกงได้หมดเลยแต่คนให้ทานเห็นอะไรน้อมให้ทานได้หมดคนทุศีลอ่คนที่เพลิดเิลิดกาเมเนี่ยนะมองเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วน้อมไปทำกาเมได้หมดแต่คนที่อ่รักษาศีลกับทาในสิ่งที่ตรงกันข้ามคนพูดเท็จเนี่ยในะนิสัยพูดเท็จอะไรก็เอามาพูดเท็จได้หมดเนี่ยนะพูดจนไม่เป็นความจริงไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะคนที่จะพูดให้คนเขาแตกแยกกันไม่รู้ใช้ศัพท์ให้คนทะเลาะกันได้หมดนะนะ คนที่จะด่าในเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ยกออกมาด่าได้หมดอ่ะเพราะรอะไรเพราะอัธยาศัยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะอย่างคนบางคนที่ที่มีอัธยาศัยไม่ค่อยดีจะมองโลกในแง่เลวเนี่ยนะจะมองอะไรในด้านลบในที่สุดตัวเองก็น้อมไปทําอกุศลกรรมบกตัวเองก็เปื้อนบาปจนได้แต่ตรงกันข้ามคนที่มีอัธยาศัยดีเนี่ยนะคนที่มีอัธยาศัยในศีลเป็นต้นมองเห็นทุกอย่างพร้อมที่จะเจริญ กุศลศีลไปได้อย่างยกตัวอย่างกรณีของพระนาคเกษเนี่ยท่านตอบดีได้หมดนะของที่มันเกินไปนี่แหละเรียกว่าของดีเหมือนกันนะนะยกตัวอย่างขอถวายพระพอรอติท า, านทานที่ให้เกินกว่าปกตินะแปล ว, ว่าทานที่ให้เกินกว่าปกติธรรมดาเนี่ยเป็นทานที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายในโลกเขายกย่องชมเชยสมเสริสรรเสริญทานที่ให้เกินกว่าปกติธรรมดาเนี่ยนะ เป็นของที่น่าสรรเสริญยกตัวอย่างบุคคลผู้ให้อติทานทานที่ให้เกินกว่าธรรมดาเนี่ยทานอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่ให้แบบนี้ย่อมได้รับเกียรติหน้าชกย่องสรรเสริญในโลกเอางี้ก่อนถ้าสมมติปกติทุกคนบริจาคหนึ่งบาทอีกคนหนึ่งบริจาคหมื่นหนึ่งเลยใครน่าชมเชยกว่ากันในในในณที่นั้นไอคนที่ให้หมื่นหนึ่งเนี่ยน่าชมเชยกว่าใช่ไหมแล้วก็เกินกว่าธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่น่า ยกย่องอีกคนหนึ่งให้ร้อยหนึ่งอีกคนหนึ่งให้สิบล้านเนี่ยแล้วถามว่าใครน่ายกย่องกว่ากันท่านไอคนที่ให้เกินนี่แหละหน่ายกย่องเรียกว่าให้ปริมาณที่จํานวนมากน่ายกย่องมากกว่าอันนี้ในที่หนึ่งนะต่อไปเขาบอกว่าขอถวายพระพรรากไม้ป่าที่เป็นยาทิพย์เนี่ยนะแม้เพียงแต่ถือเอาไว้ทําให้คนอื่นที่อยู่ในช่วงหัตถบาตรก็ไม่อาจจะมองเห็นได้ อยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวก็มองไม่เห็นแค่ว่าเพราะอะไรเพราะยาทิพย์อันนั้นเป็นของที่ประเสริฐยิ่งกว่าเป็นรากไม้ ท, ที่มันพิเศษกว่ารากไม้ธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้บวงมือยังมองไม่เห็นอย่างนั้นยาถอนความเจ็บป่วยได้กระทําโรคทั้งหลายให้สิ้นสุดไปได้ก็เพราะเป็นยาชนิดที่ยิ่งยารักษาโรคถ้าปกติธรรมดาโรคบางอย่างรักษาหายไหมมันต้องเป็นยาพิชนิดพิเศษ จ, รจรึงจะ รักษาหายในบางกรณีนะไฟเนี่ยนะที่ไม่สิ่งทั้งปวงได้ก็เพราะมีความร้อนยิ่งกว่าอย่างอื่นน้ำที่ทำไฟให้ดับได้ก็เพราะมีความเย็นบัวหลวงดอกบัวเนี่ยนะไม่เปรอะเปื้อนโคลนตรมก็เพราะเป็นสิ่งที่มีความหมดจดและเกลี้ยงเกลาแก้วมณนีมอบแต่สิ่งที่น่าต้องการสมใจนึกเนี่ยนะก็เพราะเป็นสิ่งที่มีคุณานุภาพยิ่ง เพชรเจาะแก้วมันีแก้วมุกดาและแก้วพลึกได้เพราะเพชรเป็นธรรมชาติที่แข็งแกร่งแผ่นดินรองรับงูเนื้อนกน้ําก้อนหินภูเขาต้นไม้ได้ก็เพราะแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่ยิ่งมหาสมุทรไม่ล้นฝั่งก็เพราะว่ามหาสมุทรทะเลเป็นของใหญ่ภูเขาสนรุไม่หวั่นไหวก็เพราะว่าภูเขาสนรุหนักยิ่งอากาศหาที่สุดไม่ได้ก็เพราะว่ากว้างขวางอย่างยิ่ง ดวงอาทิตย์กำจัดความมืดได้ก็เพราะแสงสว่างแรงกล้าอย่างยิ่งราชจะสีปราศจากความกลัวก็เพราะว่าชาติกําเนิดสูงยิ่งนักมวยปล้ำยกนักมวยฝ่ายตรงข้ามทุ่มกระเด็นออกไปก็เพราะมีกําลังอย่างยิ่งพระราชาเป็นยิ่งกว่าพระราชาผู้ใหญ่ทั่วไปก็เพราะพระองค์มีบุญอย่างยิ่งภิกษุเป็นผู้ควรนอบน้อมนมัสการก็เพราะว่าเป็นผู้มีศีลอย่างยิ่งคือถ้ามีศีลเท่าเราเราก็ไม่รู้จะไหวทําไมว่างั้นเถอะ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่หาบุคคลอื่นเปรียบเทียบมิได้ก็เพราะพระองค์เป็นผู้ยอดยิ่งสรุปกันนะท่านก็บอกว่าไอ้ของยิ่งย่งทั้งหลายเนี่ยคือของดีทานอาเกษตรท่านว่างั้นนะขอถวายพระพรมหาบาพิษขึ้นชื่อว่าอติทานทานที่เหนือกว่าปกติธรรมดาเนี่ยนะเป็นทานที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายในโลกยกย่องสรรเสริญและชมเชย บุคคลผู้ให้ทานอติทานคือทานที่ให้เกินกว่าธรรมดาเนี่ยนะให้ทานที่เป็นเช่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมได้รับเกียรติในโลกนี้ใครก็ตามที่ทำอะไรเหนือพิเศษกว่าคนอื่นโดยมากก็ได้รับเกียรติใช่หเป็นบุคคลพิเศษณสถานที่ตรงนั้นตรงนั้นเฉพาะเรื่องนั้นนนบุคคลนั้นจะกลายเป็นบุคคลที่พิเศษเพราะทำเหนือกว่า ผูอื่นหรือทํายิ่งกว่าคนอื่นฉันใดพระราชาเวสันดรทรงเป็นที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายยกย่องอชมเชยสรรเสริญบูชาแท้องในหมื่นโลกธาตุก็เพราะอัติทานทุกคนก็บูชาพระเวสันดรก็เพราะว่าท่านให้ทานเป็นมากไม่มีชาดกใดๆในโลกที่เอามาแสดงมากเท่ากับพระเวสันดรชาดกในยุคยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยนะมีทุกเกือบทุกวัดเลยที่แสดงเวสันดรชาดกก็เพราะเป็น ชาดกที่พระเวสสันดรให้ทานยิ่งมากให้ทานเยอะมากเป็นการให้ทานชนิดที่เรียกว่าแผ่นดินไหวตั้งเจดครั้งฉะนั้นเหมือนกันเพราะอาติท า, านทานที่เหนือกว่าธรรมดา น, นั่นเองพระราชาเวสสันดรจึงทรงได้เกิดมาสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าถ้าท่านไม่ให้ทานแบบนั้นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไหม น, นะ ขณะดเดียวกันนะถ้าไม่ให้ทานถึงขนาดเป็นเหตุให้แผ่นดินไหวเป็นต้นอย่างนั้นจะชนะมารได้ไหมบอกเป็นไปไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะหรือเทวดาในการละปัจจุบันนี้ถ้าให้ทานมาเช่นกับพระเวสสันดรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ เสียงที่สรนเสริญพระพุทธเจ้าแต่ละวันเนี่ยเป็นเสียงที่เยอะมากเลยนะปริมาณชมเยอะมากอย่างน้อยก็อรหังสัมมาสัมพุทโภคภาะเนี่ยเป็นคําที่คนพูดเยอะนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทโสะก็เป็นคําที่คนพูดมากก็แปลว่าเป็นคําที่สรนเสริญพระพุทธเจ้าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโตก็เป็นคําสรรเสริญพรุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ให้ทานเช่นกับพระเวสสันดรมาจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหม ก็เป็นไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้แล้วใครจะมาชมล่ะคะเนี้มันทานทั่วทั่วไปที่ไม่ได้หนักแน่นและมั่นคงเช่นกับพระเวสสันดรใหแ้แล้วก็แล้วกันไปไม่มีใครเคยยกมาพูดถึงเลยเนี่ยนะแต่ว่าให้แบบพระเวสสันดรแหมคนเอามาพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกเป็นต้นเนี่ยนะ